เรื่องเสียงสวดมนต์ในผงยาโดยพระอาจารย์สมภพชโชติปัญโยมีกระทาพร้อมเวลาพัตกาลคือถ้อยคำอันประกอบไปได้ธรรมในขณะที่เอากำลังฉันอาหารฉันพัฒทารในวันนี้ ถ้าอยากจะพูดในเรื่องที่เราทั้งหลายอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยคิดไลยซ้าไปว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะฟังผมอยากจะพูดเรื่องเสียงสวดมนในผงยาทำไมจึงใช้คำว่าเสียงสวดมนในผงยาในฤ ด, ดูกดาล ข้อพันธาของเราในยามค่ําคืนเสียงรีดริงเรไรระงมร่ำร้องๆๆในพงจ้าในอารามของเราเนี่ยเซึ่งเสียงต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกายามกลางวันอย่างเมื่อตอนกลางวันมาฮอแดดร่มลมตกก็เสียงแววของดุว่าว บางครั้งเสียงนกยูงมันร้องเสียงดังๆมันตกใจมันกับปินร้องมันเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในวัดเสียงนกเขานกเตา่าเสียงนกเอียงที่มันร้องคอในขณะที่เราสวดมนต์หรือว่าเราให้พรนี่กรดิหรือว่า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 เอามาดูเอามาฟังเราเยน็นเย็นเสียงเขียดร่ำร้องในหน้าพัรษาเขียดตัวเล็กๆที่ภาษาบ้าน เ, าเรียกว่าเขียดจนาเนี่ยมันร้องอยู่ทั่วไประงมไปหมดเลยในปากาข้าวเกี้ยวเคี้ย ว, วทัศนียภาพสึ่งน้าดูน่าชมมากนอกจากนั้นเราก็จะได้ยินเสียงกวาวแวว จากยอดไม้สูงโซกในอารามโผบินไปบินมากินลูกหมักเม่าลูกหมักเม่าต้นโน้นเหมืนกับไปกินลูกตะครบลูกแตกต้นโน้นเสียงนกเงือกเสียงนกยุงเสียงเหล่านี้ถ้าเรานั่งสงบแบบสมาธบางครั้งนกยุงมันเสียงดังมากก็อาจจะสะดุ้งตกใจราคาญอาจจะ อยากจะไปบิดคอโนอกโยเลยมันรองเสียง ด, ดังแต่ถ้าใจสงบลองไปอีกแบบหนึ่งเมตตาปานีแห่เมตตาจิตไม่มีประมาณแห่เมตตาจิตไม่ ม, ม, วว ม, มีโลกไม่มีประมาณก็เห็นสัตว์เหล่านี้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงร้องระ ง, งมโยของโลกตามธรรมดา ยิ่งเป็นเสียงที่ไพเราะไม่มีมายาสาไทยนอกจากนี้เขาร้องมาเราก็รู้ว่าเป็นเสียงนกโยงเป็นเสียงนกกราบเบาเสียงนกเขาเสียงนกเงือกเสียงนกเอียงมันไม่เปลี่ยนแปลงสรรพสัมเนียงเสียงของมันมันไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ที่ไม่มายาสาไทยพอตกเย็นเย็นมาเสียงหรีตริ่งเรไรก็ระงมในผงหญ้าในอารามข้างกุฏิบางท่าน อาจจะรำคาญเสียงรีดรีดริงเ่าเนี่ยแต่ถ้าจริงๆเราสงบมากๆน้อมเสียงเหล่านี้มาเป็นอารมณ์เลยก็ยังได้มาเป็น subject meditation มาเป็นอารมณ์ของสมาธิเสียงเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเสียงสัดมนฟังให้ดีนะว่า ถ้าสามารถฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ได้ที่นั้นก็เป็นนิพพานที่นั่นต่เป็นสวรรค์เสียงบน่นเสียงด่าเสียงป้อย <c oughs> ของคนตั้งหลายกลายเป็นเสียงสวดมนต์ที่นั่นก็มีนิพพานในนิพพานพระพุทธเจ้าไปวินทบาทในเมืองโกสัมพีนางมาคันติยาจ้างคนมาเดินขบวนดา ท่านเฉยเหมือนเสียงสวนมนสำหรับท่านแต่พระอนุ น, นก็ร้อนเหมือนไฟไหม่ยิ่งเราเป็นนักเผยแพรธรรมะจะไปเจอคนทุกชนิดเทศน้อยเขาก็เสียดายเขาบอกว่าพูดน้อยเสียดายอยากจะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนคนที่ไม่ชอบก็บอกพูดมากไปเมื่อไหรจะลงลำคาญบางทีก็ร้องตะโกนเลิกได้แล้ว เมืองเลยเนี่ยผมถูกชี้หน้าด่าน <c oughs> คนฟังเยอะๆมีคนชี้หน้าด่าไอ้หัวร้นมรุงเทศเก่งคนเดียวอะไรคนเดียวเนี้คนฟังน่ยเป็นฟืนเป็นไฟลุกไหมือไฟไหมหัวใจไฟแห่งความโกรธแต่เรากลับมีความเมตตาสงสารเขาไม่รู้อะไรเนอะ เขาไม่รู้แล้วก็ยังไม่พยายามที่จะรู้ที่จะฟังกลายเป็นความลำคาญเสียงแสดงธรรมน่าสงสารคนอย่างนี้ถ้าไปอยู่กับคนชนิดเดียวกันก็คงจะเข็นจะฆ่ากันสงสารแท้ๆเกิดมามีกรรมมีเวรตาไม่บอดเหมือนตาบอดหูไม่หนอกเหมือนหูหนวกคนเช่นนี้ควรจะได้รับการให้อภัยไม่ควรไปโกรธเขาผมก็ บอกคนทั้งหลายที่ฟังเทศนะอย่าไปโกรธขอแผ่บินทบาตอย่าไปโกรธแกเลยแกด่า ม, มาแกอาจจะไม่รู้อะไรเลยจริงๆอ้าว็ขหยุดไปเทศไปเขาก็ชี้หน้าด่าอีกคนฟังก็ลุกเป็นฝืนเป็นไฟก็บอกว่าขอร้องนะม่ตาปานีการทํา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 ก็บอกว่าถ้าเราโกรธขึ้นมาก็เหมือนจุดไฟเผาใจตนเองให้แก่ก่อคนเดียวยังไม่พอยังเอาไฟเอาฟืนไปจุดไฟจากแกเอามาเผาใจตนเองมันเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่เขาคือแต่เตจ้าถูกด่าตั้งเมืองโกรธสัมผีท่านไม่โกรธถ้าเป็นเสียงสวดมนต์ยามใดที่ใ จ, จเราสงบลงนับความเมตตาปานนี้มันก็หลังไหลแผ่ออกไปเหมอนกัน หัดไว้ฝึกไว้เป็นประจำความสงสารความเมตตาปานีแม้แต่ศัตรูเขาเขาตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูเราเราก็ตั้งหน้าทั้งตาที่จะรักจะแพงเขาเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นความเมตตาปานีเนี้ยอืกลายเป็นกรรมฐานอีกแบบหนึ่งอัปปมัญญากรรมฐานประเภทครั้งแรกเราดูว่าอัปปมัญญาคือความแผ่มเมตตาไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ มันเป็นกรรมฐานชนิดที่มองไม่เห็นไม่มีวัตถุให้ดูแต่ความจริงมันมีมากคิดไปเห็นหน้าสัตว์ตัวใดคนผู้ใดก็ล้วนแต่จะเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดให้ความสงบความร่มงับนี้แต่เสียงร้องของจิ้งหรีดเรไรในพงหญ้าในคาค่ำเคืนฟังให้ดีก็เหมือนเสียงสวดมนต์ มีเรื่องเล่าไวนะ้เรื่องพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่เมืองจีนนำโดยท่านโพธิธรรมท่านเป็นพระอินเดียพระแขกท่านได้นำพุทธศาสนาในพอซ้อ ป, ประมาณหกร้อยเนี่ยข้ามภูเขาหิมมารายไปสู่เมืองจีนในช่วงก่อนหน้านั้นก็มีพุทธศาสนาเข้าไปแล้วหละคนก็นับถือ แต่นับถือแบบสายมหายานของมหาสังคิกกะพวกสังกายนา น, นอกถ้ำการถือวีไนก็ย่อหย่อนแต่เขาถือว่าเขาถือศีลเมตตาศีลโพธิสัตว์ถือว่ามหายานเป็นญาณใหญ่นําคนไปนิพพานไปสวรรค์ได้มากคนโ ง, ง่คนฉลาดทําได้โดยเขากินเจกินเจในรองเจอาซิมในรองเจแล้วก็สวดมนต์ สวดมนมต์นาโมไตสือไตแป้ไปเนี่ยสวดมนต์แล้วก็ออกเชื่อมีตาพระพุทธให้มังครบวันละมากๆเท่าไหร่ก็ยังดีหาสูตรต่างๆของจีนของสายมหายา น, านั้นนยอมสวดกันใครสวดได้มากก็ยิ่งดีใจิตใจก็อ่อนโยนมีความเมตตาปาณีไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็เรียกว่ากินเจกินเจ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เรียกภาษาบาลีว่ามังสวิรัตว่าเจนะเจของจีนไม่ไม่เหมือนเจของพวกเราเจของจีนแม้แต่พวกผักที่มีกลิ่นแรงเขาก็ยังไม่กินเลยอยังเลือกกินอีกด้วยนะกินผักที่มีกลิ่นอ่อนๆพวกเราก็ควรจะกินเจเหมือนกันนะเจของพระพุทธเจ้าก็มีนะเจของพวกเรา เราพุทธสาวกนีิเจเจทางมหายานนั่นเจคือไม่กินเนื้อเป็นภาษาจีนไม่กินเนื้อกินปลากินผักแต่เจของเทรวาดอย่างพวกเราก็กินเจนะแต่าจะคนละเจฟังให้ดีเจภาษาจีนยกเว้นเนื้อสัตว์แต่เจภาษาบาลีของฝ่ายเทรวาดอย่างเราเนี่ยเจตัวนี้แปลว่าถ้าถ้า เขาทุงสละอาไม่โท่าท่าตรงภาษาฝรั่งว่าอีบเจนัททิถ่าไม่มีเจอัฐทิถ่ามีกินเจก็หมายเขาว่ากินตามมีตามเกิดถ้ามันมีอะไรก็กินนนะั่นนั่นแหละกินเจเจทางทางาเทรวาดมีผัก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 อย่าหมกมุ่นสยบอย่าเพ่งโทษติเตียนสิ่งที่ไม่ชอบอย่าติดอาหารในส่วนสองนี่นี่ก็เป็นเจ น, นะถ้าเขามีผักอย่าไปเรียกร้องหาเนื้อหาอะไรมากกว่านัา้นกินแล้วไปเถรนะให้มีชีวิตโยเพื่อประพฤติทธรรมแต่ถ้ามันมีผักมีถ้ามันมีเนื้อมีปลาอย่าไปเรียกร้องหาผักถ้ามันผิดมันถูก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 ถ้าก็ไปนั่งจะถ่ายแถวประเพณีจีนอินเดียนี่เขาก็กินน้ำชาถ้าก็ไปนั่งฟังการแสดงธรรมแล้วประเพณีฉันน้ำชากินน้ำชาก็มาต้อนรับพระจะอาวาตก็ให้เนนนาแก้วน้ำชาไปอาวายท่านและท่านก็นขึ้นธรรมาแสดงธรมรมให้ผู้ที่ทำก็นั่งฟัง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 บ้านเราเรียกว่าแข่วมเง่มีแขวมเ ง, ง่ออกมามีเขี่ยวคนออกมานิดหนึ่งเข้าโคดีทำพระจีนกนึกในใจว่าเดียวเถอะเดี๋ยวเราลงจากธรรมาจะไปถอนเขี่ยวพระแขกองนี้อวดดีอะไรมาสายหน้ามาพยักหน้ามารับผิดรับชอบเลยตรงนี้เมื่อท่านเทศจบลงมาสา ม, มนเณรก็นําน้ําชาเพื่อจะมาเสิร์ฟถวายท่านเกาะ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 แล้วเนนิก็พาซื้อก็ถือแก้วถือแก้วน้ำชาไป้ถาถวายท่านอาจารย์่าท่านอาจารย์ครับนะพระแขกนุ่นท่านถอดเขี้ยวใส่แก้วนี่มาถาวายท่านบอกว่าท่านอาจารย์อยากถอดเขี้ยวไม่ต้องถอดถอดให้แล้วพระจีนี่ก็สะดุ้งเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่พระธรรมดาเพียงแต่เราคิดเท่านั้นนหะ ก็ อ, อย่างรู้นี่คงจะต้องเป็นพออระอรหันต์ก็รีบกุริกูจอจะมากราบแต่ท่านก็ลุกขึ้นทันทีและท่านก็เดินจากไปพระจีนนี่ก็วิ่งตามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์รอผมด้วยคอยผมกราบขามาลาโทษท่านไม่มองดูไม่ฟังเสียงท่านก็เดินขึ้ท่านไปเลยพระจีนนีิก็วิ่งตามพอไปถึงแม่นม้ํากําลังไหลอยู่ท่านก็เอาย่าเส้นด่างถอดออกมาแล้วก็โยนลงไปโย น, นลงไปในในในในแม่น้ําที่มันไหล ก็อธิษฐานจิตสูวนแล้วคตะสัญญาความเบาในกายก็โดดย่องลงไปเหยียบเส้นหญ้าแล้วก็อธิษฐานฝังนโนโ้นสู่ฝังนี้หญ้าก็ลอยไปทางฝังนโน้นปรับส่วนท้าจีนก็วิ่งเรียบฝังท่านอาจารย์รอผมด้วยท่านอาจารย์รอผมด้วยแต่ก็ไม่มีทางที่จะข้ามมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งแบกแบกมัดปอแห้งมามัดปอแห้งเป็นไม้ลาปอก็บอกว่า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 แล้วก็ถาวายท่านอาจารย์ว่านี่แหละผมมีศรัทธาขนาดนี้าอาจารย์ก็มั่นแก้วเออเขามั่นเขามีศรัทธามั่นขนาดนี้ตัดอวัยวะถวายแล้วข้างๆก็ถามว่าจะให้ชั้นแสดงทำอย่างไรฟังบอกว่าช่วยแสดงทำล้างจิตของผมเถิดจิตของผมมันเศร้ามันหมองมันไม่รู้จักอะไรถ้ากระถามมาอีกวันไหนเละจิตเอาจิตมาฉันจะล้างให้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 ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโว้ยว่างเปล่าจากความหมายเป็นเพียงธาตุสีันห้าจะไปยึดมันเถือมันว่าเราเราว่าใจเรายังไงก็บรุรรมวาบกันมาในทางมหายานเขาจึงมีพระพุทธ ร, รูปแขนขาดขาดให้เราเห็นอันนี้เราให้ฟังวะศรัทธาขนาดนี้ ดีเรากำลังจะพูดถึงเรื่องสวดมนต์ในพงหญ้าเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าหลังจากนั้นท่านโพติธรรมก็ได้เดินทางบุก ป, ป่าป่าดงจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบอกท่านนั้นที่ได้เข้าใจธรรมะให้กลับคืนไปสั่งสอนธรรมะอีกเช่นเคยอยู่ที่วัดเก่านั้นแหละส่วนทั้งประจักษ์กันเดินทางต่อไปวันหนึ่งท่านพระโพธิธรรมได้ เดินทางผ่านมาที่ผงยาในป่าแห่งหนึ่งโซประสาทของท่านก็ได้สัมผัสเสียงประหลาดจึงหยุดยืนพิจารณาฟังเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นเสียงสวดมนต์ฟังไพเราะมากวิเวกฟังเวงยือกจนเป็นท่วงทํานองท่านยิ่งทวีความพิศวงสงสัยมากขึ้นเอะใจว่าเอ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 เพราะเราฝึกกันมามากตื่นแต่ตีสองทุกวันฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งโดยเราไม่ตั้งใจเราอาจจะได้ยินเสียงสวดมนเสียงรีดติ่มเราลในป่ารงพรมไผ่กลายเป็นเสียงสวดมนที่ไพเราะมากเสียงนั้นยิ่งฟังยิ่งไพเราะถ้าเราใช้จิตน้อมเข้าไปไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องดูอะไรเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์เจาะลงไป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 ถ้าเราใช้สติใช้สมาธิดีๆใช้สติจ่อฟังเข้าไปเอาเสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เดียวในเสียงก็จะได้ยินเสียงอีกอันหนึ่งเรียกว่าเสียงในเสียงเสียงที่ลึกแลมลึกฟังนิ่มนวลอยู่ภายในลึกๆ ก, ก็แทกขึ้นมาเมื่อแทกขึ้นมาแล้วเสียงนี้ก็จะชัดเจนนิ่มนวลมาด้วยกันเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นดังขึ้น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 อาจจะเป็นเสียงสวดมนต์หรืออาจจะเป็นเสียงดนตรีที่ฟังไพเราะเหมือนเสียงนั้นมาจากสวงสวรรค์ขับก่อมบรรเลงแต่เสียงเหล่า น, นั้นก็คือเสียงทั่วไปที่มีอยู่โดยทั่วไปเป็นคลื่นเสียงในในบรรยากาศทั่วไปนี้เองแต่เสียงนั้นมาจากไหนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมนยังจิตตังเมื่อจิต ควรแก่การงานมุทุตังจิตตังกรรมณียังจิตตังจิตนุ่มนวลจิตควรแก่การงานแล้วอุโพสัตังสุนาตินมติเดชิภาเ ย, าเยจะมนุษษาเธอย่อมน้อมจิตไปฟังเสียงได้ฟองชนิดคือเสียงทิพเสียงมนุษย์ในแต่เรายังไม่รู้จักน้อมไปมันก็มีเสียงเหล่านั้นแทรกเข้ามาให้ได้เก็บเหมือนท่านโพธิธรรม ท, ท่านเสีเอกใจว่าเอใครเนอมาสุ่มสวดมนต์สวดสักเสินี้ยู่ให้พงหญ้าริมทางท่านยืนยืนสำรวจใจแล้วก็ส่งกระแสจิตไปค้นหาที่มาของเสียงก็ได้ความว่าเสียงสวดมนต์นั้นมันไม่ได้เกิดจากคนแต่มันเป็นเสียงจิ้งหรีเรไลมะแรงตัวเล็กๆมันร้องประสานเสียงกันอัศจรรย์นัก ที่มีท่วงทํานองจังหวะลีลาเป็นพระสวดมนต์ไปได้แล้วท่านเกาะค้นหาเหตุแห่งความประหลาดนั้นต่อไปโดยลําดับโดยลําดับถอยหลังกลับไปสู่ที่มาโดยใช้จิตถอยหลังกลับไปสู่ที่มาของเสียงก็พบว่าอดีตของเรไรจิ้งรีดในผงญย่านี้สืบพบสืบชาติมาจากไก่มาจากหมู มาจากมาแมลงจิ้งหลีดเลไ ล, าลามาสโสไกมาสู่หมูจากหมูก็กลับจ้อนไปเป็นหลวงจีนเป็นพระจีนรูปหนึ่งแก่ๆที่เคร่งวินัยห่วงศินประพฤติพอมาจันยวยความยึดมั่นถือมั่นในศินของตนเองนี่ถือแต่ศินก็เลยทําให้เสื่อมเสียธรรมถือแต่ธรรมก็ทอดทิ้งศินมันต้องถือไปด้วยกันถือโดยไม่ยึดมั่นถือมัน ส่วนที่กลายมาเป็นเสียงสวดมนต์ในพงหญ้านั้นก็สืบเนื่องมาจากความเคยชินจากว่าสนาบาลามีที่เคยสั่งสมอบรมไว้ตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นนักปวดเป็นรวงจีนซึ่งชอบสวดมนต์เป็นชีวิตจิตใจของพระมาหายานวัชระปาณิสูตรอะไรพวกเนี้ยปุนทริกสูตรอย่างนี้สูตรที่หวาดด้วย ด, วกดอกบัวธรรมะดอกบัวเนี่ย บางองค์ชอบซู้วัดก็เกิดเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยอันนี้จึงติดตามมาทุกพบทุกชาติแม่มาเกิดเป็นเป็นมูมาเกิดเป็นไก่มาเกิดเป็นมแมลงด้วยความยึดมัน่นเถือนมัน่นอุปนิสัยที่ดีที่งามที่เป็นฝ่ายกุศลบารมีก็ยังไม่เสื่อมส่งให้มแมลงเหล่านี้ร้องส่งเสียงประสานกันอย่างเหมาะเจาะฟังเป็นเหมือนพระสวดมนต์ ท่านยิ่งจ้องน้อมจิตลงไปก็เห็นภาพอาดีตปัจจุบันอนาคตปรากฏอยู่ในข่ายแห่งยานของท่านโพธิธรรมแล้วก็ถูระสมประสานขึ้นเป็นเขาโครงแห่งเหตุอย่างรัดกุมและก็ด้วยอำนาจแห่งฌานและยานนาวิสัยของท่านนั้นเช่นกันท่านก็เลยเทศนาชี้แจงให้มาเรงเรไรเหล่านั้น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 คือความหนักหน่วงแห่งชีวิตไม่ว่าสิ่งใดนี่แหละเขาจะต้องจำไว้ให้ดีดคนดีผู้ที่ทำดีถือศีนยึดศีนทำบุญยึดบุ ญ, บญแบกบุญเทินบุญผู้ไฟบุญเมาบุญนักปราชญ์เมาวิเมาเมาวิชา นักวิปัสนาเมาทบปาดวยกันปัป่มๆเปื่อๆไปเขาเรียกว่าทมแตกบ้างกรรมฐานแตกบ้างเพราะนั้นเสียงสวดมนต์ในผงยาที่ท่านโพธิธรรมได้กินนั้นท่านเพ่งเจ็ดดูอดีตปัจจุบันอนาคตกลับไปกลับมาก็รู้เรื่องรู้ราวที่มาเล่ากันว่าเบื้องต้นก่อนที่จะมาสู่เสียงสวดมนต์ในผงยา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 ท่านแก่แล้วก็มาบวชนบับจะบวชเข้ามาก็ตั้งหน้าตั้งตาดำรงตนให้ตรงตามแนวทางของพระธรรมวิไหนอย่างสุดความสามารถทีเดียวที่เคร่งครัดเป็นพิเศษก็คือการสวดมนต์คือในในสายวิหาานี่เขาสวดมนต์มากดังกาวแล้วนีนะชอบสวดมนต์นับลูกประคำสวดได้มากเท่าไรยิ่งดีจิตใจจะได้อ่อนโยน ท่านก็ถือเป็นมันเป็นศิกขาบทวินัยการสวดมนนั้นท่านสวดประจาประจําอยู่สู้นเป็นสูตรที่ขึ้นใจจําไว้ได้แม่นจำที่สุดในเวลาว่างเมื่อใดเป็นต้องสวดสาทยายสวรนี้ทันทีในแง่ที่ดำรงตนอย่างซื่อตรงต่อศิกขาบทวินัยนั้นก่อนนับว่าเป็นปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสมาก ทันทําตัวเหมือนสไพร์ใหม่ในตระกูลทุกขณะเวลาพระพุทธญาติท่านบอกวา่าถ้าต้องการจะเป็นสมณะที่ดีต้องทําตัวเหมือนลูกสไพยใหม่อยู่ในเรือนปู่เรือนยาเ like, หตุจังใดลูกไผ่ใหม่ไปหาปูไปหายาท่านหาาาลวจีนนั่นทําอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็ชอบสวดมนต์สวดหนึ่งที่ขึ้นใจนั่งตรงนั่งสวดตรงนั้ น, นเหมือนกับออื อาตมาเหมือนกับกับผมนี่ผมก็ชอบใจโสดน่ในใจผมว่างไม่ได้ผมก็ร้องเพลงของผมไปเรื่อยโดยมันติดสันดานให้ตุงปฏิจสมภูตาให้ hey, ตูพังคานิรรชเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปยะท้ายอังกาสัมภารา โหติสัตโธระโทอิตีเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังคันเทสุสันเตตูโหติสัตโตติสมัติเมื่อคันทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันคำสมมติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้ ผมก็ชอบใจสวดนี้ของผมไม่ว่าเวลาไหนผมว่างเดินไปนั่งอยู่มองบางทีมันก็พล่งออกมาเองเฮ hey, ตุงปฏิจสมภูตาเฮตุพังคานิรุชาเลอาสายเุจึงเกิดขึ้นได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นท่านหลวงจีนนี่ก็คงจะมีอุปนิสัยแบบนั้นเหมือนกับผมที่ชอบสวดสวดเนี้ยผมชอบนิสัยมันเป็นเอง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 และมีนิสัยชอบสวดมนต์ตูเดียวเท่านั้นที่กันชอบและมักไปนั่งสวดอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าท่านทรงเคยตัดยกย่องปฏิปทานักบวชวัดสมณะที่งดงามนั้นควรทำตัวเหมือนสะพายใหม่ปกติสะพายใหม่ซึ่งเพิ่งไปอยู่รวมกับครอบครัวของสามีนั้นยังจะมีความระมัดระวังกิริยามารยาท ความผิดพลาดแม้น้อยนิดก็พยายามไม่ให้มันเกิดมีทางนี้แหละทางนั้นเพื่อจะได้คแนมนิยมจากญาติฝ่ายสามีนั่นเองอาการกิริยาใดๆที่จะเป็นช่องทางบั่นทอนความนิยมแล้วลูกสะพายใหม่ทุกคนจะไม่ทําเป็นอังขาดบางทีนั่งอยู่ทั้งวันพี่นอพี่เท่าร้องแล้เวเจียมตัวไหวแน ว, ว้ตเป็นไผ่พันคันวารานท่านบอก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 ความผิดความชั่วแม้เล็กๆน้อยๆท่านก็ไม่ยอมทำละเมิดและก็ น, นำเอาศิขาวินัยออกมาทดสอบความประพฤติของตนเองอยู่ตลอดเวลาพระสงฆ์เจ้ า, อจาของเราบางสำนักกันเคร่งศีลมากหน้าเคารพหน้าอนุโมทนาซาตตการเล็ก ๆ, ๆน้อยๆท่านไม่ทำหน้าอนุโมทนาแต่ถ้าท่านไม่ทำนั้นท่านมีปัญญาคลองตนรู้จักไม่ยึบมันม่นถือมั่นในความดีในสิ่นนั้น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 ถ้าขาดปัญญาแล้วมันยากหน่อยนะคือศิ้นไม่มีปัญญาสมาธิไม่มีปัญญามันมีโอกาสที่จะเมาวันหนึ่งหลังจากว่างจากกิ จ, จวัตรอื่นแล้วก็หลีบไปสู่ที่เรนเพื่อเสพความวิเวกความสงบโดยท่านไปนั่งสวดมนต์อยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งไม่ห่างจากสะพานข้ามคลอง ม, มามากนักขณะที่กำลังภาวนาสวดมนต์ซาทยายสตดสาเร็จที่ท่านพอใจอยู่นะ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 เล่นหนังอยู่ตรงนี้วา่มานานเลี่ยวเลเห็หมุมของว่ามาตรงนี้มั้ยหลวงจีนเมื่อถูกถามก็อึงอยู่ครู่หนึ่งตามวิสัยของคนมีสติย่อมจะคิดก่อนพูดก่อนทำไม่ได้ตอบโพล่งไปแทนที่จะบอกว่าว่าเห็นมันวิงไปตรงนี้ท่านหมายว่าท่านคิดสะกก่อนคิดไปจะพูดจะทำอย่างไรต้องคิดทบทวนไปมา ทั้งก็มีความรู้สึกว่าบะอัวในข้าที่คับขันจำเป็นเส็จแล้วเว้ยพะถ้าจะตอบไปตามความจริงว่าเห็นหมูมันวิ่งไปตรงนี้หมูก็จะถูกตามจับไปฆ่าตนนัวเองก็จะพลอยบาพลอยกรรมไปด้วยไปซ้ำเติมหมูตัวนี้เข้าถ้าเราไม่บอกมันก็จะไม่ตายแต่คลันจะไม่ช่วยไม่บอก คือถ้าจะช่วยให้หมูรอดพ้นไปโดยอาการไม่บอกให้พ้นไปจากการตามจับของเจ้าของไม่บอกว่าเห็นเดยบอกว่าไม่เห็นมันก็ขัดต่อความเป็นจริงมันก็จะเป็นอาบัตผิดสินขอมุซาวาทาเวลามณีเอตกลงจะเอาอยัางไงโวยมองเห็นชัดว่าจะต้องเสียทั้งสองทางถ้าเอาสินไว้ก็ต้องยอมเสียธรรม ความเมตตาการุณาปานีที่จะไม่ให้มันตายธรรมข้อนี้ต้องเสียแง่แงบอกว่าถ้าจะเอาทำก็ต้องทิ้งสินจะเอาอะไรดีวุย้ยลงจริงก็คิดถ้าจะเอาสินก็เสียธรรมถ้าเลือกเอาทำก็จะต้องเสียสิน <c oughs> ในที่สก็คิดว่าเอต้องเลือกฝ่ายที่เสียน้อยดีกว่า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 ตั้งแต่บวชมายังไม่เคยต้องอาบัตผิดศีลศิคราบทวินัยเลยด้วยความคิดตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็เลยบอกชายผู้นั้นไปตามความเป็นจริงว่าว่าเห็นหมูเลือหรือมหมูคายหมาลู่ว่าอย่างเงี้ยมันวิ่งไปตรงเนี้ยวายอย่างเงี้ยผลก็คือหมูฉลาดตัวนั้นถูกตามเจอตัวแล้วก็ถูกไล่ต้อนออกไปสู่ที่ค่าในที่สดุด มันก็ตายวิญญาณหมูตัวนั้นก็ผูกอาฆาตได้เรื่องเลยเฮยที่นี่นําไปกาบเรียนเงี่ยมล่ออ๋องขออาัยพูดเป็นภาษาจีนหน่อยตามจํานวนจีบเงี่ยมล่ออ๋องนี่ก็แปลว่ายมพบาลยมพบาลภาษาเจ๊กว่าเงี่ยมล่ออ๋องแล้วก็กล่าวโทษว่าต้นถูกฆ่าเพราะหลวงจีนไร้คุณทำนะั้นหลวงจีนไม่มีสินไม่ทำเป็นนักบวชซะเปล่า ช่วยให้เขาบอกอย่างดีเลยว่าไปตรงฐานลวงจีนไม่บอกผมไม่ตายแน่ๆนว่า อ, อย่างนี้ฉะนั้นลวงจีรู่นนั้นจึงควรได้รับบาปรับโทษเพราะเหตุนี้ด้วยเ อ, อ่ยยมพบาลเงียบร่ออ่องนี่ก็เลยฟังแลว้วก็พิจารณาเยี่ยงผู้พิพากสาที่ดีหรือตำรวจที่ดีเมื่อเกิดมีคดีพิพาทขึ้นต้องหาทาง หากพอมีทางจะตกลงปงใจกันได้ช่วยไกลเกลี่ยระงับดับความเลิกลากันไปเสียดีกว่าจะปล่อยให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตไปทําให้เสียหายเกินกว่าเหตุเข้าทํานองที่เรียวกว่าเสียน้อยเสียอยากเสียมากเสียง่ายนี่ตํารวจที่ดีผู้พิพากษาที่ดีส่วนตํารวจผู้พิพากษาเลวๆก็ไม่อย่างนั้นกลับสแสวงหาผลประโยชน์จากคดีพิพาทกินมันทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจําเลยเงินใครมากเกิน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 กลับกลายเป็นผู้ขยายให้ได้เรื่องมันบ้านปลายออกไปเพื่อตนจะได้บีโอการตัก ต, กตวงช่วงประโยชน์เอาจากความย่อยยับอับปภาคชิบหายวายวอดของกรณีอย่างนี้ก็มีแล้วพระเจ้าประเสริฐฟันเทดมาสองปากกินเข้าไปใจใจทั้งท้องพออิ่มเต็มต่อไปคนจะไร้สินไร้ทาตํารวจผู้พิพ า, าททั้งไล่จะกินทั้งโจทกินทั้งกําเลยมีอีกบอกแต่เงียบล่ออ่องเนี่ยทันหาเป็นเช่นตํารวจ หรือผู้พีพาก้าเร็วๆที่กล่าวมานั้นไหมเพราะเหตุนั้นท่านจึงทําหน้าที่พูดไกลเกลีย่ยหลังจากได้สอบปากสอบคำล้วงจีนจนท่านยอมรับสารภาพตลอดข้อหาของหมูข้ออหไรตอนนั้นล้จีนตายแล้วนะลืมบอกไป <c oughs> ล้กงจีนก็ตายไปแล้วเงียบรลอองก็เอาไปสอบสวนเงียบโลอองก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนเลี้ยวกันนะท่านล้วงจีง เพื่อผลมันจะได้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายตามกฎแห่งกรรมนะอัตตะกัมมะปะวิวัตเตนะพ่อเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเมื่อเราฆ่าเขาชาตินี่ชาติหนาะเราก็ต้องไปเกิดให้เขาฆ่าปังเพื่อที่ท่านลุงจีนจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่าก็ขอให้ท่านแบ่งบุญที่ได้บาเพ็ญมานี่ให้หมูสักสิบเปอร์เซนเรื่องก็จะได้เลิกลากันไปไงพอใจไหม เงียบล่องรับสั่งถามคู่กรณี้าวมูนั่งฟังหงตั้งยกก็ตอประตกลงหากได้บุญสักสิบเปอร์เซ็นเป็นเครื่องทำขวัญแล้วก็ไม่ติดใจใเอาความกันต่อไปว่าอย่างเงี้ยแต่หลวงจีนหาตกลงไห้มองตาเชีาวเลยหลวงจีนบอกอาลายกังลื่อจะมาเอาของอ้วไปตั้งสิบปรเซงตั้งแต่อ้วบวกมาบุงก่อรักษา จากการรักษาสิ่งใดๆบุ้งเพียงเท่านี้ได้มาเลยความยากลําบากนักหนาะเรื่องอูลายเรื่องอาไลลัวจะมาตกลงหรือจะเอาไปฟีฟิสิบเปอร์เซนอ้วหมายหายว่าอย่างเงี้ยมันล้วีนอุดทร อ, อุดทรเลยไม่ยอมที่นี่เงียบหล่ออ่องก็บอกว่าถ้าไม่ตกลงท่านจะต้องไปเกิดเป็นหมูใช้นี่กําเวรเขานะเงียบหล่ออ่องวะ เป่งงูก็เป่งศีนาว่าก็นไปนั่นเองหลวงจีนยืนอยันข้ออย่างเลียวอย่างหายอ้วนต่องสิงเปืองสิงที่บำเพ็ญมาตเกาะเลียวกันตั้งสิบโปเซิงเพราะความที่หลวงจีนหวงศีนยึดมั่นถือมั่นกับศีนเองหลวงจีนก็ไปเกิดเป็นหมูโดยอํานาจศีลาจารวัดทําให้หลวงจีนลําลึกชาติได้เกิดเป็นมูพับจําชาติผลหลังได้ แมเห็นอัตภาพแห่งความเป็นหมูนี่ราวกับตกนรกปาธนาที่จะกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์อีกจิตใจหมูหมูหลวงจีนนี่ก็เต็มไปด้วยความกัดตุ่มกระวนกระวายดิ้นรนครับแขนร่ำร้องแต่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เมื่อไรนะ้ามันจะตายสักทีจะได้ไปเกิดเป็นคนให้มันสิ้นกรรมสิ้นเพลิกันในที่สุดหมูหลวงจีนนี่ก็คันจะรอให้สิ้นชาติแห่งหมู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 หาเอาลูกเจี๊ยบต้องตายไปทีเดียวสิบสองตัวโดโตบลงมาเหยียบไก่ในหลวงวัดวัดเฮกบาปตืมกันไ ป, ไปอีกว่าอย่างไรเพราะความยึมมั่นถือมัน่นลูกเจี๊ยบนี่ก็เป็นร้องต่อเงียมรออ่องอีกเงียมรออ่องต้องทําพิธีพิภักษ า, าคดีอีกพอลูกเจี๊ยบสิบสองตัวนี่มันพากันแห่ไปฟ้องเองียมรออ่องสอบสวนไม่เท่าไหร่ก็คํเาเงินปมได้ว่าเออ จำได้ว่าไอ้หมูจำเลยกลายนี้ก็คือหลวงจีนหวงศิลนั่นเองข่าวดีเรื่องมันใหญ่โตกว่าข่าวก่อนนะท่านหลวงจีนเงียมหล่ออองเริ่มอภิปรายขยายเหตุการข่าวก่อนเพียงชีวิตเดียวนาะท่านเพียงแต่เป็นหมูขอให้แบ่งบุญชดใช้เขาเพียงสิบเปอร์เซนก็เห็นว่าสมควรแต่ท่านก็ยังไม่ตกหลงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเวรกำตามมาลามลุกมาเกิดเหตุร้ายแรง แรงกว่าก่อนมากนะทีนี้ยมากเพียงไหนถ้าเชื่อข้าพเจ้าเสียแต่แรกก็คงจะไม่ลําบากอย่างนี้นะเซแต่เอาเถอะในไหนเรื่องมันก่อเกิดขึ้นแต่แล้วจะพูดยังไงก็ไม่อาจจะลบล้างเรื่องร้ายเก่าก่อนนั้นไงก็มีทางอยู่แต่ว่ามาแก้ไขกันในเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตนั้นคงแก้ไขไม่ได้แน่นอนแล้วเอางนี้ดีกว่า ผ่อนหนักให้เป็นเบาก็าให้พระคุณเจ้าสละบุญญาบรารมีที่บำเพ็ญมาให้หลูกเจียบทั้งสิบสองตัวในห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นไก่ใช้ชาติให้ต้องรับทุกขเวทนาต่อไปว่ายังไงทั้งสองฝ่ายตกลงไหมเงียมรอองพูดอย่างนี้โลูกเจียบสิบสองตัวร้องพร้อมกันเพลียเลยบอกหยวนว่างั้นภาษาจีนหยวนไปวตรง yuan มัอนหล ว, วงจีนสะบัดหน้าเลยอ้วามายวายสินได้เพิ่นบ่เอาว้อ้วมายวายองัน้นในที่สุดก็ลูกเจี๊ยบหลวงจีนไม่ยอมก็ตายไปกระจายไปเกิดเป็นไก่สิบสองตัวเกิดเป็นไก่ต้อไม่ลืมอดีตมดเพราะมันไม่อาจลํำลึกชาติหนหังใดเหมือนสมัยเกิดเป็นมู ไก่ทั้งสิบสองตัวนั้นด้วยอำนาจความหิวบรรดาลก่อคุยเคียหาอาหารเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จีกินเป็นอาหารฤดลินเลไลอยู่ในพงหญ้า ก, ก็ากินไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อบาปต่ออกุศลอีกแล้วไม่เหมือนตอนเป็นหมูอย่างกลัวบาปเพราะยังจำชาติได้ตอนนี้ลืมชาติแล้วมันนานในที่สุดก็กินขาดเก็บตํำนึกที่ดีเถียงงามกินมดมกินแมงกินจิ่งรีเลไลในพงหญ้าในที่สุด ตายจากนั้นก็ตกไปเป็นจำเลยต้องไปปรากฏตัวในสำนัก ง, งานเงียมล่ออ่องอีกโดยมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาแรงทั้งหลายมาเป็นโจดเต็มไปหมดครั้งนี้มันมากมาหลายชีวิตนักประมาณไม่ได้ทีเดียวนะทันหลวงจีนว่าอย่างนี้ท่านจะต้องให้บุญแกสัตวเหล่านี้อีกกาวสิบเปอร์เซนจึงจะสิ้นกรรสิ้นเวรกันว่ายังไงเงี่ยมรองว่าเนี้ยทนหลวงจี หาได้ตกลงไหมตกใจอ้าปากบ่อะไรบุงอ้วก่อมกเท่านั้นสิแต่ห ม, มูจะเอาไปสิบเปเซนไก่ห้าสิบเปเซนมาเล้งทั้งหลายอีกโหเก้าสิบเปเซนตหมกหมกหมกอย่างนี้ว่าส่เลียวคือเป็นอย่างนี้บ่บ่บอกกักเตกซีมไวยอย่างนี้ไม่เอา ท่านลวงจินไม่ตกลงก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นมแมลงทั้งหลายร้องระงมอยู่ตามพงหญ้าทุกขาขําคืนเสียงธรรมชาติตะโกนบอกภาพธรรมชาติระบายภาพให้ดูผู้ที่หูดีตาดีย่อมได้สัมผัสความหมายของสรรพสิ่งปุงให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาได้แม้เสียงรีดลิง่งเรไลที่ริงระงมอยู่ในพงหญ้าทุกค า, าขําคืน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 ยังทำให้โรคของเราน่าอยู่อย่างยิ้ยมเย้มแจ่มใสเป็นสุขแม้จะไม่ได้รับเอาสติปัญญาจากเสียงร้องของรีติ์เองเตรย์ไรเขาก็ไม่ขาดทุนเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ผิดกับอีกคนบางจำพวกเกิดมามีแต่ความลำคาญต่อธรรมชาติหรือสรรพสิ่งเห็นโลกรกหูรกตาไปหมดคนแบบนี้น่าสงสาร โลกเป็นพิษคนเป็นพิษสาหรับเขาคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่งามอยู่ตรงนี้ก็ไม่ดีจ้ำนกน้นก็ไม่ดีตรงนี้นวกหู้นกยูงล่องลวกหู่นกกาเวาไม่อยากเห็นหน้าคนนวลคนนี้มันพิษสำแดงสแสลงจิตของเขาตลอดเวลาเขาจึงเฝ้าประนามโรคเยียดยันโรคและเฝ้าคิดที่จะแก้ที่จะไขกายเป็นเป็ดหวกระหายความเป็นระเบียบความดีความงามเป็นเป็ตเจ้าระเบียบไป บางทีก็แก้แค้นโลกเที่ยวไปคิดแก่คิดดัดคิดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาเป็นอย่างที่เขาต้องการให้เป็นเขามีสายตาละเอียดและฉลาดลึกซึ้งสามารถที่จะจับผิดจับความบกพร่องของทุกควายของคนโ น, น้นคนนี้ได้แหมแต่ครูบาอาจารย์สอนเขาก็ก็จับคิดเอ้อมันเป็นตาสะแตกพวกนี้ก็ได้อย่างที่คนธรรมดามองไม่เห็นแต่เขาเห็นหน่าเสียดาย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 บางทีผลของการเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนจุดที่มองเสียใหม่นี้จะช่วยให้พบคุณค่าจากสิ่งที่สัมผัสได้เหมือนหลวงจีนโพธิธรรมที่กล่าวมาแล้วด้วยเหตุนี้เองเราหน้าจะได้เอามาคิดมาเป็นนิพิจารณาฟังเสียงสวดมนต์ในพงยาการที่หลวงจีนที่เคร่งวิในต้องกลายมาเป็นตรีดสิ่งเละไรจิ้งริก็ด้วยความห่วงสิน ยึดติดในปฏิปทาศีลาจารวัตของตนเองนั่นเองหากต้องการพนทุกข์แล้วจงปล่อยวางความหมายมั่นสําคัญในจิตในใจเสียเหมือนคนปร่งของหนักลงจากหัวจากบ่าแล้วความเบามันก็จะมาหาทัานจะพบความเบาโดยอัตโนมัติไม่ต้องอึดอัดรัด บ, บีบจากภาระน้อยใหญ่ทั้งร้ายทั้งปวง ท่านโพดิธรรมได้สแสดงทำจบลงมแมลงทั้งหลายก็สิ้นชีวิตลงตรงหน้าท่านนั่นเองหมายความว่ า, มาแมลงเหล่านั้นฟังเทศรู้เรื่องรู้เรื่องทราบซึ่งดีจึงปรงวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้แบกบได้ทูลมาชั่วกระนานไม่มีความยึดติดในสรรพสิ่งไม่กระทั้งชีวิตการติ้นชีพงนี้ก็คือการหลุดพ้นจากทุกทรมานนั่นเองหลังจากนั้นก็พบ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 เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าผู้รู้ทั้งหลายในอดีตที่มีมายาวนานอนาคตตะการแกมาถึงหรือปัจจุบันนี้ก็ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดละชั่วเสียกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามชำระจิตให้ผ่องใสโดยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือดี จงทําความดีเพื่อปล่อยวางรักษาสินเพื่อปล่อยเพื่อวางเจริญสมาธิเพื่อมีกำลังจิตใจปัญญานำไปสู่การปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาเพื่อสลัดออกเพื่อหลดพล้นวิมุตติภาพอิสรภาพความเป็นผู้ไกลห่างจากความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจ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 จวนจะตายมีความรู้สึกว่าคงไม่รอดก็ได้ให้คนใช้ไปตามนิมนต์พระสารีบุตรพระอนนท์ให้มาเยี่ยมสารีบุตรและอนนท์เข้ามาก็ได้มาตรัสถามว่าดูก่อนคือหักบอดีโรคาพญาของท่านไม่บรรเทาเบาบ า, บางลงแหลหรือท่านพอทนได้หรือบอกว่าท่านผู้มีอายจูท่านผู้เจริญผมคงทนไม่ได้โครคภัยไข้เจ็บมีเด็กกำเริบในหวัวผม เหมือนบุรุษเอาคีมเบ็กมาทีบในท้องในไส้เหมือนคนฆ่าโกลูกมือนคนฆ่าโคใช้มีดคมผมมาคว้านในร่างกายทั้งหมดเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงจับไปย่าง